วันนี้เป็นวันที่8กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องหลวงตาของเราระชังขานมาได้สิบวันสวันวันนี้เมื่อวานนี้คณะสงฆ์เจ้าคณะภาคมอบให้รองเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์แล้วก็เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล ได้มาร่วมประชุมกับคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาที่เป็นสิทธิญาณุสิทธิขององค์หลวงตาพร้อมกับคณะสัตยาญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องที่โยมอุปรถรรมปฐากมีผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็มีคุณชายทองสิริทองแถมคุณชายปั๊มของเราแล้วก็คณะกรรมการวัดได้มาร่วมประชุมกันแต่งตั้ง ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดฝ่าบ้านตาดในขณะนี้เพราะว่าการดาเนินงานถ้าหากว่าไม่มีการตั้งแต่งตั้งรักษาการเราจะดาเนินงานอะไรอันไหนไปตามกฎหมายก็ไม่เด็ดขาดเพราะนั้นจึงได้มีการประชุมการแต่งตั้งก็ได้เสนอท่านพระอาจารย์สุดใจทันตมโนโเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ วันนั้นขอประกาศขอแจ้งข่าวให้คณะสิทธิานุสิตทุกทุกๆท่านได้รับทราบเนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารพระอาจารย์จุดใจเป็นผู้รักษาการและก็ต่อไปก็คงจะแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในขั้นตอนต่อไปขณะนี้ได้รักษาการเจ้าอาวาสก่อนแล้วก็เมือ่อเมื่อคืนนี้นะหลวงปู่ไทยเป็นองค์แสดงธรรมและก็วันนี้เป็นวันที่8ด จะมีการไปชุมกันที่กองอํานวยการกลาง9ก้าเก้านกาสนาทีทุกครั้งคือเราไปชุมกันวันเว้นวันวันเว้นวันเมื่อวานไม่ได้ไปชุมวันก่อนไปชมแต่วันนี้จะมีการประชุมขอแจ้งข่าวให้คณะคนะรูบายาจารยที่เป็นหัวหน้างานแต่ล ะ, ะแผนกขอให้เข้าร่วมไปชุมด้วยเพื่อ <ieder. S 1> เราจะได้รับรู้รับทรบาบว่างานตรงไหนจุดไหนที่ขาดตก บ, บกพร่องที่จะได้ช่วยกัน แก้ไขเพิ่มเติมให้เต็มเปี่ยมหรือว่าให้บริบูรณ์แต่ถ้าว่าเราไม่เข้าร่วมไปชมหัวหน้าไม่เข้าร่วมไปชมพวกเราก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจุดไหนที่ขาดตกบกพ้องในงานนั้นนั้นโจรงานเข้ามาแล้วเราจึงรู้จักว่างานจุดไหนที่มันขาดตกบกพร่องเราอาจจะแก้แก้ไขไม่ทันเพราะนั้นเราควรจะรู้กันแต่นเนิ่น ถ้าว่าจุดไหนที่ขาดตกบก่องพวกเราก็จะหาคู่คนเข้าไปเสริมเพื่อให้งานนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นอันนี้ก็ข อ, อนุมทนะครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้า ง, งานเขาขอให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้9นาฬกานาทีที่กองอำนวยการอย่างที่เคยประชุมมาแต่เมื่อข่าวที่แล้วก็รู้สึกว่าน้อยไปสักหน่อยครูบาอาจารย์ที่ร่วมประชุมก็ คงไม่ว่ากันเพราะว่าวันนั้นก็เป็นต้อนรับขับสู้เกี่ยวกับตัวแทนเจ้าพระคณสมเด็จพระสังฆราชเข้ามาในงานในช่วงนั้นพอดีพวกเราก็ไม่ได้ไปชุมมากกว่า น, นั้นแต่ ว, วันนี้ขอนิมต์นะแล้วก็งานทุกอย่างที่พวกเราดำเนินมาในภาพรวมก็รู้สึกว่าเรียบร้อยนะ เป็นที่พอใจของคณะผู้ดําเนินการถามถามผู้ใดก็ว่าเป็นที่พอใจเพองานทุกอย่างพวกคณะสิทธญาฤทธิ์ผู้ที่รับหน้าที่ไหนก็รู้สึกว่าเต็มอกเต็มใจในการทำหน้าที่การงานนั้นๆแต่ถึงยังไงขอขอประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าที่เข้ามาร่วมหรือมาในวัดขององค์หลวงตาเนี่ยพวกขยงพวกขยะแต่กลางคืนนะประมาณสามสีทุ่ม พกพวกครูบาอาจารย์อพระน้อยหนุ่มท่านก็ถือถุงดำออกไปเก็บขยะเหมือนกันนะไปตรวจตราเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาใกล้จะทิ้งขยะตรงไหนให้คิดซะก่อนนะเป็นหน้าที่ของพระเหมือนกันเพราะวัดนี้ไม่ใช่วัดของผู้ใดเป็นวัดของพระพระท่านก็ต้องรักษาเพราะฉะนั้นผู้ใดก็าตามจะทิ้งทิ้งขยะเกินไป ลูกหลานผู้ใดก็ตามโยนขยะทิ้งพ่อแม่ก็ควรจะไปเก็บไปหยิบออกมาใส่ถุงขยะให้เรียบร้อยหรือ ว, ว่าท่านผู้ใดก็ตามเห็นสิ่งที่ปฏิกูลสกปรกก็ช่วยๆกันนะทางนี้ทางนั้นเรามาเพื่อทําบุญกับองค์หลวงตาถือว่าเราเป็นสิทธิ์ถือว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนของหลวงตาสิ่งนี้นที่ขาดตกบกพร่องให้พวกเราช่วยๆกันทําสิ่งนั้นให้ดีดีที่สุดนะไม่ใช่เรามา อย่างอื่นนะมาที่นี่เนะี่ยมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลมาเพื่อสั่งสมบัรมีมาเพื่อกราบศีระขององค์หลวงตาเราวอกหลวงตาเนี่ยเป็นใครหลวงตาก็เคยพูดให้แก่พวกเราแสดงทําให้แก่พวกเราให้ได้ฟังแลว้วว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายขององค์หลวงตาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานจึงมาอนุมโมทนาสาธุ ทำบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลกับโปรงลงตาเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ดีไม่ควรจะคิดไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทำพูดในสิ่งที่ดีเท่านั้นที่พวกเรามาสั่งสมบุญกุศล